ธรรมะจะเรียนนะมันต้องขวนขวายหน่อยเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งการจะเข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์แต่ละศาสตร์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างคนเรียนวิชาแพทยนะ์เรียนจากสถาบันเดียวกันรุ่นเดียวกันในหมอเก่งๆรุ่นหนึ่งมีกี่คนหรือทนายเก่งๆรุ่นหนึ่งมีกี่คนเรียนจากที่เดียวกันมันมีน้อย ที่ว่ามันจะแตกฉานเข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์อันนั้นได้พระพุทธศาสนาก็เป็นศาสตร์อันนึงการที่จะเข้าถึงแก่นแท้ก็ต้องทุ่มเทกันบ้างการจะเข้าถึงแก่นแท้อันแท้จริงนะของพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องรู้หลักรู้วิธีที่ผ่านมาเนี่ยคำสอน ที่คลาดเคลื่อนจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมันปนอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะแตกต่างกับสมัยพุทธการที่พระพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนอยู่นะสมัยนั้นสำนักอื่นๆเขาก็ยิ่งใหญ่ของเขานะมีาศาสดามีสาวกมีอะไรเยอะแยนะเขาไม่จำเป็นต้องมาปนอยู่ในาศาสนาพุทธนะในช่วงแรกๆนะาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาใหม่เล็กๆเท่านั้นเอง ง้นรุ่นแรกๆเนี่ยพระสาวกเนี่ยเสียสะอาดหมดจดมากพระมหากัสสปะเคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเพราะอะไรเนอะสมัยต้นพุทธกาลเนี่ยพระวินัยมีน้อยนะพระอรหันต์มีมากสมัยปลายพุทธกาลนะพระอรหันต์มีน้อยนะพระวินัยมากวินัยเพิ่มไปเรื่อยๆพระอรหันต์ก็ลดลงลดลงนะ พระเจ้าท่านก็พูดเรื่องว่าอินทรีย์มันแก่อ่อนพวกที่มีบา ร, รมีมากไปแล้วแต่จุดหลักอันหนึ่งก็คือพวกเหลวไหลเนี่ยเห็นว่ามาบวชเป็นพระแล้วนหากินได้พวกนี้ไม่ได้ศึกษาอะไรนะเข้ามาบวชบวชตามตามกันเข้ามาคล้ายๆถ้ามาถึงเมืองไทยยุคนี้เรื่องบวชตามประเพณีอะไรเงี้ย น, ยนนะบวชไม่รู้จะทาอะไรก็ไปบวชบวชแก้บนบวชอะไรย่างเงี้ย พื้นเดิมพวกนี้ไม่ได้เป็นชาวพุทธไม่ได้เลื่อมายศรัทธาอะไรแต่มาบวชหาผลประโยชน์เท่านั้นองพวกนี้พอเข้ามาอยู่นะก็เอาความเชื่อเก่าๆของตัวเงเข้ามาปนนะมันเริ่มปนมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วละ่นะยิ่งพอปรินิพานแล้วนะมันยิ่งปนมากขึ้นมากขึ้นศา ส, สนาพุทธบูมไปเรื่อยๆศา ส, สนาพุทธบูมเนะื้อใครๆก็อ้างว่าเป็นชาวพุทธนักบวชนี่เยอะเลย เสกรทั่งพระแท้ๆเนะี่ยท่านทนไม่ไหวเมื่อประมาณพศสอ200อยหน่อยๆเท่านั้นเองพระดีๆเนะี่ยถอดใจเลยอย่างพระโมคคลีบุตรติสะถอดใจไปอยู่ป่าคนเดียวดีกว่าอยู่กับใครเขาไม่ไหวแล้วมีแต่หันไปรอบตัวนะมีแต่เสี้ยนหนามมีแต่ลัชชีเต็มไปหมดมีแต่ลัทธิเพียนๆ เ, เ, เต็มไปหมด จนพระเจ้าอโศกนะมานับถือศาสนาพุทธนะ่ยท่านก็คิดว่าจะต้องมีพระก็เสนอว่าต้องสะสางแล้วนะท่านก็จะหาผู้นํามาสะสางพระที่ดีๆดีนะนะพระเจ้าอโศกไปเจอพระดีๆพระท่านก็แนะนำบอกว่าคนที่จะนําขบวนได้คือพระโมคคิริบุตรติสสะท่านก็ไปนิมนต์มามาทําสังคยานาพอสังคยานาเสร็จเนะี่ย พระจะสวดสาธยายธรรมะที่หมดจดสะอาดหมดจดท่านสาธยายพระเจ้าสก็ได้ฟังเข้าใจหลักในคําสอนของพระเจ้าแล้วถัดจากนั้นเรียกพระมาสัมภาษณ์ทีละคนทีละองค์ทีละองค์ทั้งคนทั้งองค์ใครตอบไม่ถูกนะว่าพระเจ้าสอนอะไรแจกผ้าขาวไม่ได้ทําโทษนะแจกผ้าขาวให้ให้ศึก ไม่ใช่พระงั้นจุดสําคัญของความเป็นพระหรือความเป็นชาวพุทธเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเข้าใจคําสอนของพระเทเจ้าหรือเปล่าถ้าเราไม่เข้าใจคําสอนนะถึงแต่งเครื่องแบบพระมันก็ไม่ใช่ของจริงหรือเราเป็นคารวาสเราบอกเราเป็นพุทธมาม ก, กะเราไม่รู้เลยว่าพระเทเจ้าสอนอะไรนะถึงเวลาเราก็ไปบนโน่นบนนี่นะไหว้พระลาหูไหว้พระพีคอเนตไหว้อะไรไปเรื่อยนะ มดใต้ถุนโมดนอนในโรงศพอะไรต่ออะไรหวังว่าชีวิตจะเฮงเลยนะ น, นี่ใครเขาทำเราก็ไม่ว่าเขาหรอกนะแต่ถ้าพวกเราชาวพุทธเราก็ไม่ทําอย่างนั้นหรอกมันไม่สมเหตุสมผลงั้เราต้องเรียนนะต้องเรียนกว่าจะเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาได้ก็ต้องทุ่มเทพอสมควรแหละถ้าเราต้องการมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะเราต้องทุ่มเทหน่อย อันแรกเลยที่เราต้องทำคือการเรียนให้รู้เรื่องถ้าไม่เรียนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังจะวิดีวิเศษแค่ไหนจะคิดวิธีปฏิบัติได้ด้วยตนเองผู้ที่คิดวิธีปฏิบัติได้ด้วยตนเองนะค้นพบได้ด้วยตนเองมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะกับพระปัจเจกพรพุทธเจ้าบารมีท่านมหาศารนะอย่างพวกเราอย่างหลวงพ่ออะไรไม่มีปัญญาหรอก งั้นเราอย่ามาเรียนธรรมะเลยามานึกๆเอาตามใจชอบก็ไม่ได้นะหรือเราจะไปฟังอาจารย์เนี้ยดังฟังแล้วท่าจะดีท่าจะดีถ้าคนเยอะๆเขาไม่ได้รู้จริงนะก็กลายเป็นคนตาบอดจูงคนตาบอดไปเราต้องศึกษานะว่าจริงๆแล้วท่านสอนอะไรพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นกรรมวารี ไม่ใช่สอนว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำคือการเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องการเจริญปัญญาเนี่ยงานของเราคืองานเรียนนะกระทั่งว่าเรียนปริยัติจบแล้วลงมือปฏิบัติมันก็คือการเรียนเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องการเจริญปัญญาถ้าเราไม่ได้เรียนเราจะเอาภูมิรู้อะไรไปสู้กิเลสได้ คำสอนเพียนเพียนเนี่ยปนอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยมหาศาลเลยอย่างบางคนบางพวกก็สอนกันนะว่านิพพานแล้วเป็นโลกโลกหนึ่งนิพพานแล้วเป็นโลกอีกโลกหนึ่งมีพระพุทธเจ้านั่งเป็นประธานมีสาวกมีพระอาหารหันต์อะไร น, ะนั่งคล้ายๆตุกตานั่งเป็นแถวๆนะที่ก็อยู่ปราสาทราชวัง พระพุทธเจ้าอยู่ปราสาทหลังใหญ่สาวกหลังรองๆอง ล, อ ง, ลองไปจริงแล้วนั้นมันนิมิตทั้งนั้นนิมิตทั้งนั้นมันคือคําสอนของนิกายสุขาว ด, ดีญี่ปลุกเข้ามาหรือบอกว่าทุกอย่างว่างเปล่าโลกนี้ว่างเปล่าอยู่แล้วไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําอะไรศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องมีทุกอย่างว่างเปล่า จิตนั้นโดยธรรมชาติดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรมันดีเพราะว่ากิเลสเกิดขึ้นถึงไม่ดีเพราะงั้นไม่ต้องทำอะไรให้เป็นจิตตั้งเดิมก็จะดีสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฐิทั้งหมดเลยจิตของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ามันดีอยู่แล้วบริสุทธิ์อยู่แล้วนะท่านบอกว่าเดิมจิตมันประพัสสอนประภัสสอนเพราะว่าใสสว่างสว่างใสไม่ได้แปลว่าสะอาดบริสุทธ ประพัด ส, สอนจากสุดที่ปาริสุทธิดที่คนละเรื่องกันเหมือนเรามีน้ําอยู่ตุ่มหนึ่งนะตักไว้นานแนละ้วรองไว้นานแนละ้วน้ำก๊อกนี้แหละดูไปใส่ใสนะวันไหนเอามือไปกวนแลตะกรอนก้นตุ่มมันก็ขึ้นมาอีกเนะนี่ยมันใสนะแต่มันไม่บริสุทธิ์หรอกจิตนี้ก็เหมือนกันมันสว่างมันผ่องใสถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันถ้ากิเลสไม่จอนมา ถ้ากิเลสเจอมาแล้วก็ไม่ใส่ยังไม่ใช่จิตนั้นบริสุทธิ์แต่จิตนั้นมีกิเลสซ่อนอยู่ต้องเรียนรู้วิธีที่จะเข้าไปขุดรากถอนโคนกิเลสเออกจากจิตของเราให้ได้มีวิธีการบอกว่าศีลสมาธิปัญญาไม่สำคัญไม่ยึดอะไรเลยไม่ยึดอะไรสักอย่างก็ยึดความคิดที่จะไม่ยึดอะไรสักอย่างนั่นแหล ะ, ะเอาสุดท้ายก็ยึดจนได้แ มิจฉาทิฏฐินานาชนิดนะอยู่ในศาสนาพุทธมิจฉาทิฏฐิใหญ่อันหนึ่งก็คือตายแล้วเกิดคิดว่าพอเราตายนะจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่จิตดวงเดิมแหละไปเกิดอีกอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อสัตสตะทิฏฐิอีกพวกหนึ่งก็คิดว่าตอนนี้ตัวเรามีอยู่จริงๆแต่พอตายแล้วมันสูญไปเลยนี่เรียกว่าอุเฉททิฏฐิ อีกพวกหนึ่งถือว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุหรอกเกิดขึ้นมาลอยๆอยนะเป็นไม่มีเหตุเหตุุุกกะไม่มีเหตุเกิดขึ้นลอยๆอยบังเอิญเกิดอย่างพวกเราหวังจะเฮงหวังจนกันนะเนี่ยทฤษฎีบังเอิญเกิดเฮงไม่มีซวยไม่มีนะมีแต่กรรมทำเหตุมาอย่างไงต้องรับผลอย่างนั้นไม่มีฟลุกไม่มีบังเอิญ เคยมานั่งฟังหลวงพ่อเทศนะแล้วก็ปิ๊งบรรลุเลยไม่ต้องปฏิบัติเนะ่ไม่มีหรอกนะมันฟลุกเกินไปบังเอิญเกินไปไม่มีนะหรือโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่อนัตติกาทิฏฐิไม่มีอะไรเลยนะเลยนะคยได้ยินไม่โลกว่างเปล่าเป็นสุญญตาผู้เราเองนะกิเลสท่วมหัวอยู่บอกสุญญตาันทะําทำไม่ได้ เราต้องรู้นะว่าการที่เราจะเป็นชาวพุทธแท้จริงเนะี่ยเราต้องลงมือทํำท ำ, ทำนะไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยต้องทําแต่สิ่งที่ทําคืออะไรคือศีลสิกษาเรียนว่าทํำยังไงศีลซึ่งไม่มีจะมีศีลที่มีแล้วจะเจริญขึ้นจิตศึกษาเรียนว่าสมาธิเป็นยังไงนะมีกี่แบบทํำยังไงสมาธิจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องจะเกิด สมาธิที่ถูกต้องมีสองชนิดนะสมาธิอันหนึ่งเป็นไปเพื่อความสงบสุขเอาไว้ทาสมถะกรรมฐานเอาไว้พักผ่อนเป็นสิ่งที่ควรทาสมาธิอย่างที่สองเป็นความตั้งมั่นของจิตเอาไว้เดินปัญญาจำเป็นต้องทำนะสมาธิสมถะเนี่ยทำได้ควรทาแต่สมาธิที่ตั้งมั่นเอาไปเดินปัญญาต้องทำนะถ้าไม่ทำไม่มีทางพ้นทุกข์เลย ส่วนทําสมาธิไม่ได้นะเวลาเราเดินปัญญาไปนะมันจะแห้งแรงมากเลยล้มลุกคลุกคลานเหน็ดเหนื่อยมากนะแต่ถามว่าไปมรรคผลนิพพานได้ไหม ย, ยังไปได้แต่ถ้าติดสมาธิอยู่ไม่เดินปัญญาเลยนะทำสมาธิตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาไม่เป็นนะไม่มีทางได้มรรคผลจะไปพรโมโลกแทนงั้นา ง, งานของเรามีนะเรียนเรื่องทำยังไงศีลที่ไม่มีจะมีที่มีแล้วจ ะ, จะเจริญขึ้น ทำยังไงจิตของเราจะสงบทำยังไงจิตของเราจะตั้งมั่นสงบเพื่อพักผ่อนตั้งมั่นเพื่อเจริญปัญญาทำอย่างไรจิตดวงนี้จะสามารถเห็นความจริงของรูปนามกายใจนี่เรียกว่าการเจริญปัญญาความจริงของรูปนามกายใจคือไตรลักษณ์ถนะ้าเมยงงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ซึ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องเรียนนะงั้นในที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะวนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดแหละนะเป็นภาพกว้างๆนะ การที่จะมาฝึกจิตฝึกใจตัวเองให้เกิดศีลขึ้นมาศีลเบื้องต้นเน่มันอยู่ที่ตัวเจตนานะถ้าเรามีเจตนาแน่วแน่นะว่าเราจะงดเว้นการทำบาปอาุศลนห้าอย่างห้าอย่างพอนะสำคัญที่สุดเลยก็คือศีลนหนะ้าสำหรับฆรวาสเนี่ยสาหรับพระศีลที่สำคัญที่สุดคืออะไรศีลห้าเหมือนกันพระไม่ถือศีลห้าก็เยอะนะ พระก็ต้องถือโยมก็ต้องถือศีลห้านี่เป็นศีลเบสิกเลยของความเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้อยู่ในภูมิมนุษย์เนี่ยอย่ามาคุยเรื่องจะทําสมาธิทําปัญญาไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นจิตใจชั่วร้ายอะไรเงี้ยทาสมาธิมันก็ไม่สงบที่เคยสงบมันก็ค่อยๆเสื่อมไปหรือเจริญปัญญามันเจริญไม่ได้จริงเะะนั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจเบื้องต้นนะ่ะตั้งอกตั้งใจไว้ก่อน เราจะไม่ทําผิดศีล5ศีลห้าเป็นของสําคัญถ้าไปดูในองค์มรรคนะศีลในองค์มรรคเบื้องต้นเลยมันเรื่องศีล5้าสัมมาวาจาแล้วก็ศีลข้อ 4, ส 1, 2, สัมมากรรมตะเนี่ยหนึสศีลข้อหไม่กินเหล้าเมายานะคลุมทุกข้อนะคือถ้าทําอย่างนั้นแล้วสติสัมมาชั ญ, ญาเสื่อมความเจริญใดๆก็ไม่เหลือแล้วถ้าไม่ได้กินเหล้าเมายาก็ฝึกให้เกิดสติสัมมชัญญะง่ายเป็นศีลที่เอื้อมหน่วย ให้เจริญสติเจริญปัญญาสงนั้นศีลหลักๆจริงๆสีข้อนี้นะแต่ว่าพอภาวนาไปถึงขั้นละเอียดที่จะสู้กิเลสละเอียดนีนศีลมันประณนี่ขึ้นไปมีจุลศีล น, นะมัชิมศีลอะไรมหาสีลนเลยนะต่อไปไล่ๆขึ้นไปละเอียดยิบเลยอย่างพระเนี่ยออกมาด่ากันให้โยมฟังเนี่ยผิดศีลละศีลในชั้นที่กลางกลางนะไม่ถึงละเอียดสุดยอดด้วยซ้ำไปนะทาไม่ได้หรอกนะ พระถ้าไม่ถูกกันเลยต้องไปเตือนกันไปด่ากันให้โยมฟังเนี่ยไม่ได้นะพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของใครทั้งสิ้นไม่เป็นประโยชน์กับพระศาสนาด้วยต้องไปเตือนกันต้องเตือนนะันนเบื้องต้นนะตั้งใจเราจะมีศีลห้าตื่นนอนมาก็นึกเลยเราจะรักษาศีลห้ากลางวันก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจจะรักษาศีลห้า ก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจอีกนะก่อนนอนตั้งใจอีกทำไมต้องตั้งใจก่อนกินข้าวเผื่อสำลักข้าวตายซะ ก, ก่อนจะได้ตายแบบมีศีลก็นะนะลตั้งใจไปวันละหลา ย, ลายรอบไม่ต้องขอจากใครหรอกไม่ต้องขอจากพระก็ไดนะ้อยู่ที่ความตั้งใจของเราเองต้องเด็ดเดี่ยวนะถ้าหากจิตใจของเราเด็ดเดี่ยว เราตั้งใจรักษาศีลไปเรื่อยๆแล้วพยายามรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในเพศฆร า, าวาสนั้นจะรักษาศีลให้สะอาดหมดจดนั้นทําไม่ได้จริงหรอกยากมากแล้วก็พยายามให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พอเราฝึกอย่างนี้นะฝึกตัวเองไปนานหลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ยมันจะเกิดบารมีนะเป็นศีลบารมีขึ้นมาใจมันจะมีสมาธิสูงขึ้นสูงขึ้น ใจมันจะเต็มมันจะอิ่มมากขึ้นบารมีมันทำให้ใจมันเต็มใจมันอิ่มงั้นอย่างเราตั้งใจรักษาศีลพอเรารักษามาได้ช่วงหนึ่งเนีใจมันจะเต็มมันจะอิ่มมันจะมีพลังขึ้นมาศีลในเกื้อกูลที่ให้เกิดสมาธิได้ง่ายถ้าเสียศีลใจจะฟุง้งซ่านอย่างคนคิดจะทำร้ายคนอื่นเนี่ยใจฟุง้งซ่านคนไม่ทำร้ายใครมีแต่ความเมตตาใจสงบ คนคิดจะรักขโมยคนอื่นใจฟุง้งซ่านนะคนที่รู้จักทำทานรู้จักให้นะใจสงบเบิกบานคนที่หมกมุ่นในกามฟุง้งซ่านวั น, ว, นวันคิดจะไปหลอกสาวที่ไหนหรือจะไปหลอกหนุ่มที่ไหนเดี๋ยวนี้มันเสมอกันหมดแล้วนะผู้หญิงเขาก็เห็นผู้ชายเป็นดอกไม้ริมทางที่เชยชมแล้วเขาก็ทิ้งนะว่าผู้ชายเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวสงวนเนื้อสงวนตัวไว้บ้างพราผู้หญิงเขาไม่ค่อยสงวนแล้วนะ เราต้องสูงวนของเราบ้างนะเนี่ยถ้าฟุ้งอยู่ในกามนะใจไม่สงบอะวุ่นวายราคาก็จะแรงโทสะก็จะแรงซื่อสัตว์อยู่ในคู่ของเราเนี่ยสงบจริงไหมตอนเป็นแฟนเจอหน้าแล้วหวือหวาใช่ไหมแต่งไปหลายๆปีเจอแล้วสงบ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วเฉยๆเหมือนเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> คนโกหกหลอกลวงฟุ้งซ่าน คนมีสัจจะไม่ฟุง้งซ่านคนขี้เหล้าเมายาไม่มีสติคนมีสติเขไม่ไปขี้เหล้าเมาย า, ยางั้นถ้าเรามีศีลเราจะได้ธรรมะมาด้วยศีลก็ทำมันของคู่กันเรามีศีลส ะ, ส, ะสมของเรายาวนานนะธรรมะก็จะงอกงามความเมตตาจะเกิดขึ้นเมตตากรุณาจะมากขึ้นใช่ไหมความรู้จักเสียสละจากฆะอย่าเงี้ยนะก็จะมากขึ้น ควาสำรวมในกามกนะ็จะมากขึ้นสัจจะเป็นะความเป็นคนจริงก็จะมากขึ้นคนมีสัจจะพูดอะไรก็จะเป็นไปตามนั้นนะเพราะอะไรเพราะพูดเท่าที่มันเป็นนะเป็นอย่างนั้นพูดไปจนกรทั่งคนเชื่อถือว่าถ้าคําพูดออกจากปากคนนี้ใช้ได้เลยนะคนแต่ก่อนรุ่นปู่ย่าตายใหญ่เขาทําค้าขายอะไรกันนะ ไม่มีสัญญอสัญญาอะไรนะเขาตกลงกันแล้วก็คือคําสัญญาละนะคือหนังสือสัญญาละไม่ต้องจ้างทนายเลยตกลงกันยังไงก็อย่างนั้นนะนั่นเราตั้งใจนะรักษาศีล5้าไว้ให้ดีเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของเราถ้าเสียศีลห้าคือเสียความเป็นมนุษย์ละมนุษย์แล้วผู้ใจสูงนี่การรักษาศีลห้าในเบื้องต้นต้องใช้การข่มใจ ผมใจไม่ให้ไหลาตามกิเลสเวลาคนจะทำผิดศีลเนี่ยก็เพราะกิเลสมันยอมใจได้มันเข้ามาครอบงำใจงั้นเบื้องต้นเราอย่างสู้กิเลสไม่ไหวกิเลสมีกำลังมากกว่าเราเช่นความโกรธมีกำลังมากกว่าสติปัญญาความโกรธที่มาครอบงำใจอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขาอยากจะแกล้งเขาทาร้ายทรัพย์สินอยากทำไสยศาสตร์ใส่อะไรงี้ยนะมีสารพัดรูปแบบเนี่ย โทสะมครอบ่ถ้าสติรู้ทันนะว่าโทสะเกิดขึ้นโทสะจะหายไปแต่เบื้องต้นโทสะมันแรงอยากจะฆ่าเขาละต้องลึกถึงศีลไม่ฆ่าเพราะเดี๋ยวผิดศีลอยากจะขโมยเขาอยากเป็นชู้กับเขาไม่ทำเดี๋ยวเสียศีลเราอุตาารักษาของเรามาได้ตั้งสามวันลนะอย่างเงี้นะเสียศีลเสียดาย เนี่ยเบื้องต้นมันข่มใจไว้ไม่ให้ไหลตามกิเลส ท, ที่รุนแรงต่อไปสติปัญญาแกะรอบนะไม่ใช่เป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวแล้วล่ะไม่ใช่กดข่มจิตใจไว้ไม่ให้ตามกิเลสต่อไปสติปัญญาแก่กล้านะกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันนะกิเลสมันจะขาดสะบั้นไปต่อหน้าต่อตาเลยอย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันนะความโกรธมันจะดับพอความโกรธดับเนี่ยใจก็ยังไม่ถูกความโกรธผลักดัน ให้ไปทำร้ายคนอื่นหรืไปทำไม่ดีไม่งับนะความโลภเกิดขึ้นสติรู้ทันความโลภจะครอบงําจิตใจไม่ไดนะ้เราก็ไม่ไปทำผิดด้วยอํานาจของความโลภเนะี่ยคอยรู้สึกอย่างนี้นะคอยรู้เท่าทันแต่เบื้องต้นอนะ่ะสติเราอ่อนตังช่วยตัวเองไม่ไหวเราก็ตั้งใจงดไปก่อนนะตั้งใจงดเว้นไปก่อนคิดถึงศีลวลาสี่ 4, รอบห้ารอบยิ่งดีนะ มุสลิมเละหมาดวันละห้าครั้งนะชาวพุทธเราบอกให้สวดมนต์วันละครั้งนด้จะขาดใจตายให้ได้เลยอ้างโน้อนอ้างนี่ไปเรื่อยนะน่าสังเวชจังนะฝึกนะพัฒนาศีลขึ้นมามันจะเป็นฐานนำไปสู่สมาธิและปัญญาในสมัยพุทธกาลนะมีพระองค์หนึ่งท่านบวชแล้วก็ รุ่นเดียวกันเป็นพระระหันเป็นพระนักาอะไรหมดเลยท่านไม่ได้อะไรเลยเป็นปุถุชนวันหนึ่งเสียใจจัดเลยเอามีดโกนมาปาดคอ ต, ตัวเองเลยเร็วเหลือเกินอย่าอยู่กินข้าวชาวบ้านเลยปาดคอทิ้งดีกว่าคาตัวตายเอามีดเชือดนี่กำลังจะตายเนี่ยอย่างเสียใจอยู่ว่าบวชมาตั้งนานนะไม่ได้อะไรกับใครเขาเลยเสร็จแล้วเกิดบุญมันตามมาให้ผล เกิดเฉลียวใจได้ว่าไม่ใช่นะตั้งแต่บวชมาเนี่ยนะตั้งใจรักษาศีลอย่างดีเลิศมาตลอดเลยพระพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตำํำหนิท่านเรื่องศีลดังพลอยพระสาวกผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เคยตําหนิเพื่อนเพื่อนพระด้วยกันก็ไม่เคยตำํำหนิตัวท่านเองก็นึกตําหนิตัวเองไม่ได้ว่าศีลดังพลอยเพรคิดอย่างนี้นะมันภูมิใจนะอิ่มใจขึ้นมาไหมเนี่ยบารมีมันมีนะท่านทำให้เต็มอิ่ม บารมีทั้งหลายมันทำให้อิ่มนะทำให้อิ่มตันหามพาให้หิวบารมีมันพาให้อิ่มพอท่านอิ่มใจขึ้นมาสมาธิเกิดเลยะท่านก็เห็นร่างกายมันจะตายใจเป็นแค่คนดูพอท่านตายไปแล้วเนะี่ยพวกพระก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระภิกษุองค์นี้ไปอบายอยู่ที่ชั้นไหนทําไมต้องไปอบายเพราะฆ่าตัวตายพระบอกว่าไม่เกิดหรอก อง น, นี้นั้นบรรลพระอรหันต์ในขณะที่ขาดใจตายพอดีเลยอง น, นี้พ้นไปล้อันนี้ต้องบอกนะว่าความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะพวกเราคืนเชือดคอก็ตายเปล่าๆตกนรกอีกเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะขยันเชื้อนะจะเชื้อแล้วเชื้ออีกเชื้อแล้วเชื้ออีกนับภพบนับชาติไม่ถูกเลยบางคนคิดว่าฆ่าตัวตายเป็นทางหนีทุกข์ได้นะไม่หนีนะมันไม่หนีหรอก เคยมีคนเล่าให้หลวงพ่อฟังบ้านเขาเป็นทาวเฮ้าส์นะกลางคืนนอนอยู่ในบ้านดึกแล้วสงัดตีสองอะไรเงี้ยได้ยินเสียงผู้หญิงเดินร้องไห้ผ่านหน้าบ้านไปแล้วลุกขึ้นไปดูลุกขึ้นไปดูปดอ๋อผู้หญิงคนหนึ่งนะเดินร้องไห้ขาเธอเนี่ยลอยพ้นจากพื้นอยู่คืบหนึ่งเดินออกจากบ้านตัวเองมาร้องร้องรองไปเลย ไม่หันกลับมามองที่บ้านเลยเดินไปเรื่อยๆตอนเช้าชาวบ้านเขาเก็โวยวว่าผู้หญิงคนนี้ปลุกคอตายไปแล้วที่ตายเพราะว่าไปซื้อบ้านซื้อทาวเฮาส์นี่แหละเสร็จแล้วเอาเงินมาทุ่มลงไปดาวหมดเลยแล้วก็ส่งไม่ไหวสามีก็โกรธสามีเลยทิ้งไปสามีก็ทิ้ง แต่ไม่มีทางออกนนะก็คิดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะหนีทุกข์ได้พ้นไม่หนีเลยนะฆ่าตัวตายแล้วก็เป็นผีร้องไห้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะอีกจะนานแค่ไหนก็รู้ผีมันอายุยืนกว่าคนหนึ่งเป็นคนนะั้นทนทุกข์อยู่ไม่กี่ปีหรอกเดี๋ยวก็ลืมแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนได้แล้วไม่ทุกข์นานแต่อย่างเนี้ยมันมันตกอบายไปแล้วตกอยู่ในภูมิอบา ย, บายภูมิก็เศร้าโศกทุกร้อนไปเรื่อย แผ่ส่วนบุญแพ่เมตตาให้ไม่รู้เรื่องเลยเศร้าหมองมากเงินไม่ว่าจะทุกข์ขนาดไหนก็อย่าไปฆ่าตัวตายนะแล้วก็อย่าไปฆ่าคนอื่นด้วย <c oughs> เดี๋ยวทุกข์มากก็ไม่ฆ่าตัวตายเที่ยวไล่ฆ่าคนอื่นถ้ามีหูมีตาจะรู้ว่าวัฏฏมันน่ากลัวนะแล้วมันยุติธรรมนะงัพวกเราตั้งใจนะยังไงยังไงก็ขอให้รักษาศีลห้า ได้ศีลห้าเนี่ยท่านมีตัวอย่างเป็นพระอรหันต์มาละวิธีรักษาศีลเบื้องต้นตั้งใจงดเว้นการทําบาปอากุศลทางกายวาจาห้าอย่างต่อไปก็ฝึกสติให้ดีขึ้นกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจรู้ทันกิเลสอะไรเกิดในจิต ใ, ในใจรู้ทันไปเรื่อยศีนาัตโนมัติจะเกิดขึ้นราคะเกิดสติก็เกิดนะศีลมันก็มาเองไม่ทําผิดศีลเพราะราคะโทสะเกิดสติเกิดนะี ก็ไม่ทําผิดศีลเพราะโทสะนะงั้นอาศัยสติเป็นเครื่องมือคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วนะนี่แหละหน้าที่ของสติล้สติทําหน้าที่คุ้มครองรักษานะคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วเนะพราะเรามีศีลแล้วต่อไปเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตบทนะเรียนนี้ชื่อว่าจิตสิกขา หลวงพ่อสอนจําจี้จำชัยมากในเรื่องจิตศิษยาแต่ก่อนเรื่องศีลไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่คนที่มาเรียนบางทีก็มีศีลอยู่แล้วหลังๆนี้พูดใส่ซีดีไว้ให้พวกไม่มีศีลมันได้ฟังบ้างพวกเราที่มาสนใจการปฏิบัติเนี่ยส่วนมากมันจะมีศีลอยู่โดยสายเลือดไม่คิดจะเบียดเบียนใครโดยสายเลือดอยู่แล้ว น, นี่การที่จะมาฝึกจิตฝึกใจให้มีสมาธินะก็ต้องมาดูที่จิตใจ การเรียนเรื่องจิตจะทําให้ได้สมาธิเรียกว่าจิตตศิกขาการที่เราคอยมีสติสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มรู้จักว่าจิตอย่างไนเป็นสุขจิตอย่างไรเป็นทุกข์จิตอย่างไรเป็นกุศลจิตอย่างไรเป็นอกุศลจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตโหดหูอะไรพวกนี้นะจิตอกุศลจิตอิจฉาพยาบาทจิตขี้เหนียวจิตขี้เหนียวก็เป็นกิเลสนะ ขี้เหนียวเน่เป็นกิเลสตะกูลโทสะแล้วนึกว่าราคาเนะี่ทีแรกหลวงพ่อนึกว่าอ่านอ่านที่แรกนึกว่ายัางตรนะีนึกว่าราคามงนผวงไว้ความจริงเวลาที่จิตเกิดตรณีนะี่ยจิตไม่มีความสุขใช่ไหมในขณะที่ไม่มีความสุขจิตเป็นโทสะแน่นอนเลยนะงั้นท่านเลยจัดเอาความตรณีนะี่ยอยู่ในตะกูลโทสะเพราะว่ามันเกิดแล้วมันไม่แช่มชื่นใจนะโทสะเนะี่ยเกิดเมนะื่อไหร่เนี่ยจะไม่แช่มชื่นใจ ราคาเกิดเนี่ยแช่มชื่นใจก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้นะแล้วเราคอยคอยเรียนรู้เรื่องจิตนะวิธีเรียนรู้เรื่องจิตไม่มีอะไรค่อยตามสังเกตจิตใจตนเองเนืองเนืองะจิตใจดีก็รู้จิตใจร้ายก็รู้นะจิตใจสงบก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ค่อยรู้ไปเรื่อยนะแล้วก็เราจะเริ่มจําแนกชนิดของจิตได้ว่าอย่างนี้เป็นจิตที่เป็นกุศลอย่างนี้เป็นอกุศล ต่อไปเวลาเราพาวนานะพอเราเริ่มกำหนดปุ๊บจิตมันแน่นขึ้นมาเนี่ยเราชำนี้ชำนาญเรื่องจิตแล้วพอแน่นปุ๊บเรารู้เลยนี่ผิดแล้วละ่ะจิตที่แน่นๆเนี่ยเป็นอากุศ ล, ลจิตนะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันโปร่งโล่งเบานะอ่อนโยนนุ่ ม, น, มนวลคล่องแคล่วว่องไวแล้วถ้าแน่นแน่นทื่อๆนะทําผิดแล้วทําผิดแล้วทําไงดีก็เลิกสิทําผิดแล้วอย่าดันทุลังทําะฉะนันพอเริ่มนั่งสมาธิ ก็เลิกเลยนะต้องไปทําแล้วลนะ่ะทําผิดแล้วอยาขยันส่วนมากทําผิดแล้วชอบขยันนะไปไกลหลงไปไกลนะี่นเราค่อยๆสังเกตจิตใจของเรานะไปเรื่อยๆให้ดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะหรือว่าจิตจนะตเริ่มสังเกตเห็นนะถ้าเมื่อไหร่จิตมันไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขสมาธินะชนิด พักผ่อนสมถกรรมฐานจะเกิดขึ้ น, นการที่รหัดสังเกต น, นะต่อไปเรารู้เลยอ๋ออย่างนี้สมาธิสงบเกิดเพราะว่าอะไรจิตไปอยู่ในอารมณ์มเดียวส่วนที่จิตตะคุบอารมณ์ไปเรื่อยนะีเป็นจิตฟุง้งซ่านตะคุบ น, นู่นตะคุบนี้จับไม่มั่นนะเวียนหัวไปหมดย้อยแย่ไปหมดอันนี้เรียกว่าจิตฟุง้งซ่านถ้าจิตไปสงบสบายอยู่ในอารมณ์มเดียวที่มีความสุขก็จิตจะสงบนี่พอ ร, รู้เคล็ดอย่างนี้นะรู้ได้ใจของเราจริงจริงนะ ต่อไปเวลาเราจะทําสมถาธิจะทําความสงบนั้นง่ายมากเลยเราก็สังเกตตัวเองว่าจิตของเราไปอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมันมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์อันั้นแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลส น, นะอย่างถ้าด่าคนแล้วมีความสุขชกคนแล้วมีความสุขอันนี้จิตไม่สงบนะโทสะมันแทรกจิตมันหนักหนั ก, นกมันไม่ดีจิตมันเล่าร้อนไม่ดีเเราต้องแยกเป็นก่อนนี่ไหมจิตดีจิตไม่ดีต่างกันยังไง เสร็จแล้วก็ใค่รู้ไปโอ้สังเกต จ, จิตมันทํางานบางวันนะมันจับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้จิตฟุ้งซ่านไม่สบายบางวันนะมันสงบสบายอยู่ในอารมณ์มันเดียวโอ้อยางนี้ดีเป็นสมถะนะงั้นต่อไปเวลาเราจะทําสมถะนี่เรื่องหมูหมูเลยใครว่าเข้าสมาธิยากไม่ยากสําหรับนักดูจิตหรอกนะไม่ยากเลยถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขแล้วเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลส รวมอารมณ์อารมณ์ที่ดีๆอย่างพุทโธพุทโธถ้าพุทโธแล้วสบายใจแล้วก็อยู่กับพุทโธรู้ลมหายใจแล้วสบายใจแล้วก็รู้ลมหายใจะใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะมันก็สงบไม่วิ่งพล่านไปหาความสุขที่อื่นการที่จิตฟุ้งซ่านนั้นะเพราะว่ามันวิ่งพล่านไปหาความสุขที่โน้นก็ไม่เจอที่นี่ก็ไม่เจอแต่ถ้าทํากรรมฐานอันหนึ่งที่ทําแล้วมีความสุขแล้วอยู่กับมันเนี่นะจิตจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนะ เอาหมดเวลาแล้วล่ะเอาไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ